อารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจนะครับเห็นแล้วว่าเป็นของปรุงแต่งแบบหยาบๆแต่มีสิ่งโน้นเป็นที่ระงับกล่าวคืออุเบกขาอารมณ์ก็ดับไปนะครับ จาบอกว่ามาสักครู่นี้เป็นความสุขเป็นความสนุกหรือบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบเป็นอารมณ์พอใจไม่พอใจก็เกิดจากการปรุงแต่งข้างในก็ดับไปหายไปแต่ถ้ายังค้างค า, าอยู่ก็เริ่มเลี้ยรากเก่ า, เาต้องฝึก ฝึกให้เกิดสติปัญญาให้เขาได้เห็นการจบไปจบไปจบไปถ้าเราทำอย่างนี้บ่อ ย, อยในชีวิตประจาวันมันก็จะเห็นความจริงว่าโอ้ยที่ว่าเราสุขหลงเยื่เมเคลิมก็ไม่ต่างอะไรกับที่พู้เจ้าตรัสจริงเหมือนเกลียวคลื่นเหมือนพายบแดดเหมือนความฝันถ้าตอนนี้ตื่นเมื่อคีเหมือนฝันเลยไม่มีแล้วเนี่ย ถ้าเมื่อกี้ต้องเสียเงินหลายร้อยหลายพันหมดแล้วเนี่ยเงินอารมณ์ก็ไม่มีเหลือแล้วพอสมควรครับแค่ให้ตั้งมั่นเห็นการเกิดดับเป็นระยะระยะระยะอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเรากลับไปอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะได้รู้จักการ เหมือนกับ p อยส์ตัดช่วงของการเลื่อนไหลเนี่ยให้มันเกิดสติปัญญาเห็นการเกิดดับของอารมณ์บ้างโดยใช้สติใช้ลมหายใจเป็นเครื่องช่วยนะครับเพื่อหยุดหยุดหยุดสถานการณ์ต่างๆให้จิตได้ตั้งมั่นเห็นการเกิดดับเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้หัวใจที่เราจะเข้าไปถึงรูปนามได้หนึ่งคือต้องเห็นการเกิดดับ2องเห็นสภาพทุกข์ของมัน ซึ่งการเกิดดับกับสภาพทุกข์เนี่ยมา ค, คู่กันพระเจ้าถึงได้จัดว่าเมื่อเห็นอ น, นิจจังก็จะเห็นทุกข์ขังพอเห็นอ น, นิจจังสักพักคุ้นเคยโอ้เห็นอะไรเป็นนี้ก็ทุกขขังก็จะอยู่ในนั้นเพราะมันเป็นคุณสมบัติของรูปนามนามรูปรูปนาม